นีคนจีนที่มาเข้าคอร์สเขากลับไปแล้ว mm hmm. เขาเกตขึ้นเยอะนะคนภาวนานดีๆมีหลายคนคอสคนจีนเนี่ยเขาเก็บตังค์คนมาเข้าคอร์สตั้งใจคอร์สไทยเนี่ยไ ม, ม่ไม่เสียตังค์มาปิกนิกนะ <laughs> ต้องขยันภาวนานะอย่าให้หลวงพ่อต้องคอยเขี้ยวเข็นให้ภาวนาถ้าใจเรามันสำนึกว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนเรามีความทุกข์รออยู่ข้างหน้าทุกข์เพราะแก่ทุกข์เพราะเจ็บทุกข์เพราะตายทุกข์เพราะพราดลาดจากคนที่เรารักจากสิ่งที่เรารัก ทุกพราะความไม่สมหวังหรือการเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจเรามีสิ่งเหล่านี้รอเราอยู่ข้างหน้านี่เราประมาทไม่ได้จะมาคิดว่าตอนนี้แข็งแรงเป็นหนุ่มเป็นสาวเอาไวแ้แก่ๆแล้วค่อยภาวนาแก่แล้วภาวนายากเด็กๆนั่เพรนะาวนาง่ายกว่าผู้ใหญ่ แต่เด็กๆหรือคนหนุ่มคนสาวเนี่ยมันตระมาทมันไม่รู้ว่าอะไรจะรออยู่ข้างหน้าคิดว่าอีกนานตอนนี้หาความสุขสนุกสนา น, เ, นเพลิดเพลินไปวันหนึ่งวันหนึ่งก่อนเอามือลงก็ได้ไม่ต้องพนมมือหาความสุขไปเรื่อยๆเอาไว้แก่ๆแล้วภาวนาคนอายุแต่ละรอบนะมันจะมี ลักษณะเด่นที่ไม่เหมือนกันช่วงรอบแรกสิบสองปีช่วงเด็กรอบที่สองนี่เป็นช่วงที่กำลังเติบโตนะเรียนรู้รอบที่สามนี่เป็นรอบที่ร่างกายสมบูรณ์ที่สุดแล้วโตเต็มที่แล้ว เป็นช่วงนี้ถ้าโบราณนะถือว่าตั้งแต่เบนยาเพศยี่ห้าจต้องทาอาหารกินให้ได้ถ้าพลาดจากจุดนี้แล้วลำบากแล้วเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังแข็งแรงรอบถัดไปเนทะ่าไหร่สามสิบหกตอนเนี้ยสะสมประสบการณ์แข็งแกร่งที่สุดช่วงนี้ อยูสา5สิบห้าสามิหกเนียสติปัญญาแข็งแรงก็ไม่ใช่เพ้อฝันลอยๆอยแล้วพระพุทธเจ้าแต่สรู้ตอนสามสิบห้าช่วงที่วุฒิภาวะเต็มที่เลยถัดขึ้นไปอีกรอบหนึ่งเป็นช่วงที่เริ่มทดถอยแล้วอีกรอบหนึ่งหกสิบขึ้นไปแก่ เริ่ม แ, ก, ก, แ ก, มก่อีกรอบหนึ่งแก่มากอีกรอบหนึ่งแก่มากช่วงชีวิตเด็กๆสดชื่นอย่างหนุ่มอย่างสาวกระตือรือร้นเรียนรู้โลกข้างนอกช่วงตามมาช่วงรรมาหากินแล้วตอนนั้น ถาดจากนั้นนะมันเริ่มเสื่อมช่วงเสื่อมเนี่ยเอามาภาวนาลำบากนะในช่วงที่ดีที่สุดเนี่ยเอาไปสนุกสนานเอาไปทํามาหากินสมุมดละเหลือช่วงเสื่อมๆจะเอาไ้ภาวนาเริ่มต้นลำบากยากนะแล้วทำยังไงดี ก็คือรวมการปฏิบัตนะิเข้ามากับการใช้ชีวิตของเราในทุกช่วงวัยช่วงเด็กๆสิบสองปีแรกผู้ใหญ่หลืพ่อแม่ทำยังไงก็ได้ให้ลูกคุ้นเคยกับธรรมะให้คุ้นเคยกับวัดกับพระเปิดซีดีหลวงพ่อไปเรื่อยๆก็ได้อย่าไปรีบร้อนบังคับให้เด็กปฏิบัติ ถ้าเด็กเครียดเนี่ยผิดธรรมชาติของวัยเขาวัยแรกช่วงแรกควรจะสดชื่นเพราะความสดชื่นในชีวิตคนมีเท่านั้นเองหลังจากนั้นเนี่ยแต่ไม่ได้ภาระภาระในการเรียนภาระในในการท ร, รมาหากินแต่รวมการถ่ายทอดธรรมะเนี่ยถ่ายทอดไปตั้งแต่ลูกเราอย่างเล็กๆ บางคนถึงขนาดเปิดซีดีหลวงพ่อให้ลูกในท้องฟังมีอา น, นิสงส์มากนะเพราะแม่ฟังไปเรื่อยๆแม่จิตใจดีมีความสุขสุขภาพจิตดีดีกับลูกในท้องนึงช่วงเรียนหนังสือเนีย่ยให้มันสนใจธรรมะมันลำบากนิดนึงสนใจเพื่อน ช่วงนี้อยู่เพื่อนแล้วช่วงโตขึ้นมาแล้วแต่เบญจก ร, รมเจอเพื่อนที่ถูกถูกฝังมาให้ศึกษาธรรมะเด็กก็จะศึกษาธรรมะไปด้วยเจอเพื่อนเกเรมก็เกเรไปด้วยแหละเราผู้ใหญ่เลือกไม่ได้เด็กมันเลือกเพื่อนของมันเองแต่ถ้ามันมีธรรมะมาแต่เด็กมันมีภูมิต้านทาน มันรู้จักเลือกไม่ไปเลือกคนเหลวไหลในวัยที่พวกเราทำงานางขนาดนี้ส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานต้องปฏิบัติเลยจะมารอให้กเกษียณแล้วมาปฏิบัติที่อื่นอาจจะรับหลวงพ่อไม่รับดูพระองพ่อเนี่ยไม่ค่อยแก่ นานๆมีแก่ลงมาทีหนึ่งนะแก่แล้วสอนยากเรียนยากบางรุ่นเคยมีบินทบาตก็เดินไม่ไหวสวดมนต์ก็นั่งไม่ไหวชีวิตมันเต็มไปด้วยคำว่าไม่ไหวอ่ะไม่ไหวไปอยู่บ้านไปบ้านพักคนชราอะไรก็ไปอยู่นะพระนี่ต้องต่อสู้ชีวิตพระไม่ใช่ชีวิตที่ง่ายๆ ถ้าพระเหลวไหลง่ายพระเอาจริงไม่ใช่ง่ายเลยต้องสู้มางสู้บางทีน้ําตาตกเลยนะสู้กิเลสเนะียทุกข์ทรมานไม่ใช่ทรมานทางร่างกายเท่าไหร่หรอกทางร่างกายเนะี่ยมีปัจจัยสี่มีชีวิตอยู่ได้แต่ทรมานทางจิตใจทําไมมันไม่ดีสัทีอะไรเงี้ยมันทุกข์นะอยากพ้นทุกขนะ์พวก เหลวๆหลๆไม่ทุกเท่าไหร่สนุกสนานเพลินๆพลนไปวันๆพวกตั้งใจปฏิบัตินะโอ้เครียดบางทีเครียดจนถึ ง, ถงต้องหาของให้เล่นให้ปลูกต้นไม้ให้ไหนให้เปลี่ยนความรู้สึกบ้างนี่ในชีวิตของเราเนี่ยในชีวิตในวัยทำงานเนี่ยต้องปฏิบัติให้ได้จะรอจนพ้นวัยทำงานแล้วปฏิบัติเนี่ยไม่ทันหรอก หลวงพ่อลงมือปฏิบัติจริงจังนะตอนเด็กไม่ต้องนับห่อกตั้งแต่สมาธิทำอะไรไม่เป็นเดินตัญญาไม่เป็นหลวงพ่อเจอหลวงปู่ดูลอายุยี่สิบเก้าแล้วอยุยี่สิบเก้าเป็นรอบที่เริ่มรอบที่สามแล้วใช่ไหมถึงปะยี่สิบสี่รอบที่สามเป็นรอบที่บุตรทภาวะกําลังดีนเริ่มแข็งแรง ร่างกายก็ยังไม่สมไปหาหลวงปู่บอกหลวงปู่ว่าอยากปฏิบัติท่านก็สอนให้ดูจิตตัวเองหลวงพ่อไม่ใช่ทำไล่ไถนาแต่ว่าทำงานที่ต้องใช้ความคิดหลวงปู่สอนให้ดูจิตเนี่ยมันเหมาะกับชีวิตของคนในเมือง เราอยู่ในเมืองนี่มีเรื่องต้องคิดตลอดเวลาเราไม่ใช่เป็นชาวไร่ชาวนาแบบสมัยโบราณนะปีหนึ่งทํานาช่วงหนึ่งเท่านั้นนะพอเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ว่างแนละ้วไม่มีอะไรทําทําไมไม่ทําอะไรไม่มีอะไรจะทําไม่มีน้ําปลูกอะไรก็ไม่ได้จะไปผลิตทางอุตสาหกรรมก็ไม่รู้จะทํำยังไงไม่มีเทคโนโลยี ชาว บ, บ้านหรือเป็นชาว บ, บ้านธรรมดาทำไรทำนาเสร็จแล้วก็ว่างๆพวกรักชั่วก็ไปกัดปลากตีไก่พวกรักดีก็เข้าวัดภาวนาทำบุญทำทานแต่ชีวิตคนในเมืองไม่เป็นอย่างนั้นตื่นนอนมาใจก็ต้องหมุนติ้วๆแล้ววันนี้วันอะไรจะทำอะไรมีธุระอะไร ต้องคิดนะออกจากบ้านไปทำงานขึ้นรถไปรถบนดินรถใต้ดินได้ข่าวว่ารถไฟฟ้าอะไรคนก็แน่นเหมือนกันใช่ไหมหนูพ่อเห็นมันวิ่งไม่เคยขึ้นเราะกลัวเขาไล่ออกมาพระมาะเกลกกับมีรถนาน า, น า, นานชนิดนะรถอย่างโน้นอย่างนี้แต่รถก็แน่น แน่นไปหมดเด๋ยนนี้ยังมีรถเมย์อยู่ไหมยั ม, มีรถไฟฟ้าก็ได้ขอว่าแพงทำงานแล้วขึ้นรถไฟฟ้าสองสามต่อค่าแรงหมดแล้วไม่มีอยู่ไม่ได้คนจำนวนมากใช้รถเมย์อยู่เคยหยุขึ้นมาหน่อยก็ไปซื้อรถมาใช้เองเป็นนี้เป็นสิน ในชีวิตแค่เดินทางก็เครียดแล้วจะเดินทางอะไรต้องวางแผนไหมแต่ละวันจะเดินทางวางแผนหรืป่าเห็น ไ, ไหมต้องคิดทั้งนั้นเลยเรื่องเครียดมีมากมายเส้นทางนี้เราเลือกเอาไว้ดีแล้วมันว่างๆอยู่ไม่กี่วันมันแน่นเลยเราต้องเปลี่ยนเส้นทางเพราะคนอื่นเขาก็เลือกเหมือนกันเขาก็รู้ว่าตรงนี้เส้นทางนี้พอจะไปได้ก็แห่กันมาใช้ที่เดียวกันแล้วหาทางหนีี่ เมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่เมืองนนท์นะทำงานที่ทำเนียมจากบ้านนั่งรถไปลงเรือเรือด่วนจากเรือด่วนเมืองนนท์ขึ้นที่เทเวศจากเทเวศเดินไปทำงานเดินจงกรมจากเทเวศไปทำเนียมรัฐบาลทุกวันวันไหนฝนตกก็ขึ้นรถเมล์ไปต้องวางแผน ลงเรือไปสบายขึ้นต้นทางแต่ขากลับเนี่ยขึ้นกลางทางแน่นเย็ดเลยในใจก็นึกนะเรือล่มเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นว่ายน้าเป็นนะว่ายน้ำได้แต่ออกจากเรือไม่ได้เรือแน่นเย็ดเลยคยกันตองแต่งตองแต่งอยู่ในอัด เรือเรือโยกแล้วก็โยกพร้อมกับเรือเพราะทุกคนมันไม่มีพื้นที่กระดุกระดิกอะแน่นไปหมด น, ะนั่งเรือไปหรือยืนบนเรือไปก็พิจารณาความตายไปทำได้ในขณะที่หันมองคนรอบๆพวกที่ได้รับลมเย็นๆนะไปดูลูกตาของคนนั่งเรือกับคนนั่งรถเนะี่ย ตาไม่เหมือนกันพวกนั่งเรือนะมันจะมีความสุขอยู่กับน้ำตาสบายตาหลงตาหลงหลงเป็นพวกเพลินเพลินเปรินเปรินสบายไปหลงนั่นแหละต่อไปก็อย่าบอกเลยถ้าตายแล้วจะไปไหน เปลอเปลอเปลนเปลนพวกนั่งรถแต่ไม่ได้โทรสาถ้าเราคิดรถล้วดูใจของเราไปใจเราไม่สบายใจอึดอัดแน่นไปหมดเลยภาวนาภาวนาอยู่ทั้งวันดูจิต ด, ดูใจนั้นภาวนาได้ระหว่างเดินทางคนอื่นเขารถติดหรือนั่งเรือลำบาก มันคือเวลาภาวนาที่ยาวนานของเราในแต่ละวันเดินทางวันหนึ่งรอบหนึ่งเกินชั่วโมงอะ่ะแม้เช้าชั่วโมงครึ่งหรเย็นสองชั่วโมงป่าเข้าไปสามชั่วโมงครึ่งแล้วแต่ละชั่วโมงเนี่ยคอยทำความรู้สึกตัวไปอีกห้านาทีทุกชั่วโมงได้อีกชั่วโมงหนึ่งในสิบสองชั่วโมง ใคนที่บอกว่าไม่มีเวลาภาวนานนะั้คือคนไม่ภาวนาการภาวนานนะั้ไม่ได้เบียดบังการใช้ชีวิตของเราเลยถ้าเราภาวนาให้ถูกกับสภาพชีวิตของเราวิธีที่ถูกกับสภาพชีวิตคนในเมืองกรรมฐานที่เหมาะที่สุดคือดูจิตตัวเองเพราะความรู้สึกเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการดูจิตตัวเองเนี้ดูได้สองแบบสองอย่าง ส อ, สองอย่างนะที่เราดูวิธีดูนะมีอย่างเดียววิธีดูมีอย่างเดียวคือสภาวะอะไรก็รู้เกิดขึ้นก็รู้ไปตรงๆแต่เราจะดูได้สอ ง, ส อ, งอย่างสองอ็อบเจกต์อันหนึ่งก็คือดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับใจเราที่สดสดร้อนร้อนใจเราสุขรู้ทันใจเราทุกข์รู้ทันใจเรา เป็นกุศลรู้ทันใจเราโลภโกรธลงรู้ทันรู้ยากไหมรู้ไม่ยากรู้ได้ทุกคนยังขับรถอยู่คนเข้าปาดหน้าเราเราโกรธโกรธรู้ว่าโกรธคนส่วนใหญ่แท้โกรธหันมาดูก็รู้ว่าโกรธได้แต่มันไม่หันมาดูเวลาโกรธใครมันจะไปมองให้คนที่ทําให้เราโกรธเนี่ยที่หลวงปู่ดูนี่จิตออกนอกมันไม่ย้อนมาดูจิตตัวเองไม่จะไปดูแต่คนอื่น ีปเจอสาวสวยนะใจมันมีราคามชอบขึ้นมาก็หมดแต่ดูสาวไม่ดูใจชอบงั้นการที่จะดูจิต ด, ดูใจตัวเองไม่ใช่เรื่องลึกลับไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยทุกคนดูได้ทุกคนดูได้อยู่ที่สนใจจะดูไม้มเห็นความสำคัญของการจะดูไหมถ้าเรารู้ว่าชีวิตเรามีแต่ความไม่แน่นอน ต่อไปต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักต้องไม่สมปรารถนาเราจะนิ่งนอนใจไม่ได้เราจะขยันภาวนาแล้ววิธีภาวนาของเราที่มันไม่เบียดบงังการทำมาหากินของเรานะคือการดูจิตตัวเองถ้าจะดูกายต้องไปนั่งสมาธิก่อนนะบางคนดูกายด้วยการคิดพิจารณากายไปเรื่อยๆนะฟุ้งซ่าน สมาธิไม่มีไปพิ่หนักกายไปเดินปัญญาด้วยการดู ก, กายทำไม่ได้กายและเวทนาเนี่ยเหมาะกับสมถียานิสจิตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเหมาะกับวิปัสสนาญาณิสมองคนที่เดินปัญญาเข้าไปเลยดูเข้าไปเลยเหตนเราไม่มีเวลาเข้าฌาน เ, เราไม่มีโอกาสไปเจริญปัญญาด้วยการดู ก, กายเวทนา สิ่งที่เหมาะกับพวกเราคือการดูจิตกับทำมานุปัสสนาทำมานุปัสสนาคือเห็นกระบวนการทํางานของรูปธรรมนามธรรมยากดูจิตง่ายกว่าดูดูธรรมดูกายง่ายกว่าดูเวทนาอย่างสายกายเนี่ยพวกที่เขาชํานาญในสมาธนะิตอนที่จะเดินปัญญาเนี่ยถ้าเคยฝึกฝนมาแล้วเข้าเวทนาได้เลย ถ้าไม่ได้เคยฝึกเจริญปัญญามานะดูกายไปก่อนง่ายกว่าสายจิตนี่ก็เหมือนกันนะที่ทำวิปัสสนาญาณิกนะดูจิตง่ายกว่าธรรมานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาอย่างอย่างดูจิตเนี่ยจิตเป็นกุศลรู้จิตเป็นอกุศลก็รู้แค่นี้เองถ้าธรรมานุปัสสนานะ่ยมันลึกซึ้งลงไปอกุศลที่ไปดูเนี่ยไม่ใช่ลบกรดหลงจนะไปดูนิพพน มัละเอียดกว่ากันแล้วจะดูว่าทําไมนิวรณ์ถึงเกิดทําไมนิวรณ์ถึงดับทําไมนิวรณ์ถึงไม่เกิดนะจะเรียนลงไปถึงเหตุถึงผลของมันรู้เหตุรู้ผลลงไปหรือจเจริญกุศลยังไม่ใช่แค่อย่างจิตตานุปัสสนานะัเห็นโทสะเกิดขึ้นมีสติรู้ทันทงที่รู้ทันเป็นกุศลและวแตรงธรรมานุปัสสนานะั้นละเอียดประนิดกว่าดูไปถึงโพชิชงเจ็ด ว่าองค์ทรรมสติธรรมวิจัยวิริยะปีติปสัสสิสมาธิอุเบกขาเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรทำไมมันถึงเกิดทำไมมันไม่เกิดรู้ลงไปถึงเหตุถึงผลมันด้วยแล้เห็นกระบวนการที่ทำงานเป็นพัฒนาการเริ่มจะมีสติมีธรรมวิจัยรือการทำมีปัสสนามีความเพียรจิตใจเกิดปีติเกิดสุขนะ เกิดปีติเกิดปัสติสติเกิดสมาธิเกิด อ, อุเบกขาเป็นลําดับไปมันยากกว่ากันหรือเรียนเรื่องขันห้าเนี่ยอยู่ในธรรมานุปัสสนาเรียนเรื่องขันห้าขันห้ามีทั้งรูปทั้งนามมีทั้งส่วนที่เป็นกิเลสมีทั้งส่วนที่เป็นวิบากมีส่วนที่เป็นกรรมก็มีตัวเจตนาเป็นตัวกรรมมีทั้งกิเลสทั้งกรรมทั้งวิบาก ส่วนใหญ่เป็นวิบากการปฏิบัติต่อกิเลสอย่างหนึ่งการปฏิบัติต่อกรรมอย่างหนึ่งการปฏิบัติต่อบิบากก็อย่างไม่เหมือนกันเพราะันยากดูยากอยู่เรื่องอริยสัจปฏิจจสมุปบาทอะไรเงี้ยดูลําบากถ้าหันดูจิตไปก็จะเริ่มเห็นปฏิจจสมุปบาทค่อยๆเห็นไปถ้าเริ่มจากปฏิจจสมุปบาทเลยนะั้นต้อง ระดับพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเริ่มจากปฏิจจสุบตัตในการเดินปัญญานะพวกเราแค่ดูจิตมีราค่าจิตไม่มีราคาก็บุญนักหนาแล้วจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะก็บุญนักหนานะเอาที่เราทําได้จริงๆนะงั้นธรรมานุ ป, ปัสสนาเนี่ยถึงจุดหนึ่งเข้าไปตัวนี้ทุกคนแหละไม่ว่าจะเดินทางกายหรือทางเวทนาหรือทางจิตสุดท้ายเข้าธรรมานุ ป, ปัสสนาทุกคนนะ คือเข้าไปรู้ว่าเรียสัตว์นี่ถ้าเราเข้าชานไม่ได้ดูจิตไปเลยดูจิตดูได้สองอย่างอันหนึ่งดูความรู้สึกทั้งหลายสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาความสุขเกิดขึ้นรู้ทันความทุ ก, กขก์เกิดขึ้นรู้ทันกุศลโลภโกรดหลงเกิดขึ้นรู้ไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าทุกอย่างเกิดระดับทุกอย่างเกระดับอย่างพวกกิเลสทั้งหลายเนี่ยถ้าเรามีสติไปรู้นะมันดับทันที ความทุกข์ทางใจเนนี้เกิดร่วมกับกิเลสแล้วมีสติรู้ปับ๊บดับทันทีแต่จิตที่มีปีติเนี่ยไม่ใช่กิเลสปีติเพราะกิเลสก็มีนะถ้าปีติเพราะกิเลสมีสติรู้ก็ดับนะแต่ถ้าปีติเพราะกุศลหรือมีความสุขเพราะเป็นกุศลเนี่ยไม่จำเป็นต้องดับเพราะจิตที่เป็นกุศลมีความสุขได้มีสมาธิมีปีติได้สมาธิเกิดกับจิตชั่วก็ได้นะ ถ้าเป็นสมาธิที่เกิดร่วมกับจิตชั่วเนี่ยพอสติเกิดสมาธิชั่วจะดับงั้นจิตที่เป็นกุศลแล้วก็สภาวะที่เป็นกุศลเกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลได้เนะพวกนี้เราไปรู้มันจะค่อยๆเปลี่ยนให้ดูอย่างเรานั่งสมาธิจิตเรามีความสุขเราถอยออกจากสมาธินะความสุขอย่างทรงอยู่เราดูไปเรื่อยความสุขจะเปลี่ยน แสดงความไม่เที่ยงค่อยๆเฟะค่อยๆสลายตัวให้โดูกลายเป็นอุเบกขาหรือพอมีอารมณ์มากระทบแรงเนยจิตกระเพิ่มจิตที่นิ่งอยู่ก็เพิ่มขึ้นมานะตัวที่จิตกระเพิ่มเนี่ยเป็นกิเลสละเรามีสติรู้ทานจิตสงบราบภาพอีกละเป็นอัตโนมัตินี่เราค่อยๆดูไปดูความรู้สึกทั้งหลายที่มันกำลังมีกำลังเป็นหรือเพิ่งมีเพิ่งเป็นถ้าเป็นพวกกิเลสทั้งหลายนะ มันจะเพิ่งมีเพิ่งเป็นการดูจิตที่จะดูตามหลังดูของเพิ่งมีเพิ่งเป็นเพราะจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวอันแรกมันไปรู้สาวแล้วเกิดราคะไม่เห็นนะเกิดมีสติไปรู้ว่ามีราคะเห็นราคะเห็นราคะไม่ได้เอาสาวเป็นอารมณ์แนะราคะดับทันทีเลยบางคนโกรธแล้วรู้ว่าโกรธแล้วไม่หาย เพราะจิงๆมีความโกรธซ้อนขึ้นมาอีกโกรธตัวเองว่าโกรธเก่งไม่ชอบความรู้สึกโกรธตัวที่ไม่ชอบความรู้สึกโกรธนี้เป็นโกรธอีกตัวหนึ่งซ้อนขึ้นมาเล้บอกแม้หนูดูนั่นนี่อย่างนี้นั่นี่คือขมดหนูดูตั้งนานทำไมมันไม่หายโกรธก็หนูโกรธใหม่โกรธไปเรื่อยๆมันก็เลยไม่หายสิโกรธต่อเนื่องไปเรื่อยๆสร้างความโกรธซ้ำๆขึ้นมา ถ้าดูด้วยจิตเป็นกลางดูอย่างสบายจริงๆจิตมีสติจริงๆนะกิเลสดับทันทีกิเลสไม่อยู่ร่วมกับสติหรอกนะอีกตัวหนึ่งที่เราจะดูนะดูพฤติกรรมของจิตดูพฤติกรรมของจิตหลวงปู่ดูได้เรียกพฤติของจิตพฤติขีดการทํางานของจิตเรางพ่อชอบใช้คําว่าพฤติกรรมมากกว่าเพราะว่าพฤติพฤติของจิตนี่มีแบบที่ทํางานเองนะอัตโนมัติ อ้นั้นไม่มีความหมายอะไรไม่ไม่ดีไม่ชั่วอะไรแต่พฤติกรรมเนี่ยมันเจือเจตนาลงไปนะเพราะฉะนั้นมันจะมีการกระทำกรรมเกิดขึ้นเวลาจิตมันไปกระทำกรรมมันอยากดูมันวิ่งไปดูเนี่ยมันทำกรรมแล้วมันทาตามที่อยากแล้วนะเจตนาคือตัวกรรมมันอยากดูมันก็เจตนาวิ่งไปดูเจตนาวิ่งไปฟัง เราไม่ได้เจตนานะจิตมันเจตนาเองอย่างเราภาวนาเนี่ยจิตมันเจตนาอยากจะรู้ตัวบ่อยๆ อ, อยากจะมีสติตลอดเวลาจิตมันอยากของมันเองเราก็ได้ยินหลวงพ่อบอกว่าอย่าทำด้วยความอยากหนูไม่อยากแล้วแต่จิตมันอยาก <S <S เป็นไปได้ไหมหนูไม่อยากแต่จิตมันอยากเป็นไปได้เพราะจิตไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นสภาวธรรมอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ตัวเรานะ งั้นเราไม่อยากให้จิตอยากเราอยากนิพพานจิตอยากไปเที่ยวนรกห้ามมันได้เหรอไปเที่ยวเมื่อก่อนก็มีที่ให้เที่ยวนะอาซีเดี๋ยวนี่ไปอยู่ที่ไหนละไม่ย้ายไปเลยใครรู้บ้างไม่ยอมบอกกลัวเราดูความรู้สึกนะสุขทุกข์ดีชั่วเกิดขึ้นรู้ทันไป หรือดูพฤติกรรมของจิตจิตวิ่งไปทางตาจิตวิ่งไปทางหูจิตวิ่งไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันมีตัณหาเป็นตัวผลักมีความอยากดูรูปมันก็วิ่งออกไปดูรูปจิตมันไปเกิดที่ตามีความอยากจะฟังเสียงจิตก็ไปเกิดที่หูไปฟังเสียงมีความอยากดมกลิ่นจิตก็ไปเกิดที่จมูกมีความอยากรู้รสจิตก็ไปเกิดที่ลิ้น เวลากินข้าวรู้รสตลอดเวลาไหมน้อยคนที่รู้รสน้อยคนที่รู้รสเพราะเวลาส่วนใหญ่เอาไปเผลอจิดขณะที่คิดไม่รู้รสหรอกหลวงพ่อกินอะไรนี่นะ่ข้าวเปล่ายังอร่อยเลยข้าวเปล่าหวานหอมหวานอะไรเงี้ยเรารู้สึกได้เพราเรามีสติอยู่ลิ้นกระทบรสจมูกกระท่กลิ่นเนี่ยเรารู้มีสติอยู่ แต่ถ้าไปซื้อของแพงๆอร่อยสุดยอดในโลกมากินนะแล้วก็กินไปฟังเพลงไปไม่รู้หรอกว่าอร่อยไปหาอะไรถูกๆกินไม่เสียค่างโง่ไปซื้อของอร่อยมากินแต่ว่าไม่ได้รู้รสเนี่ยนั่นเสียค่างโง่งั้นเวลาจะกินข้าวอย่ามัวฟังเพลงไม่รู้รส ถ้าจะฟังเพลงก็อย่าไปหาอะไรเขียวและอยากคุยจิตมาทำงานได้ครั้งละอย่างเดียวทีละช่องช่องตาหูจมูกลิ้นกายใจช่องใจทำงานเยอะหน่อยไปคิดทั้งวันเวลาทำกรรมฐานก็จ้องลงไปเพ่งลงไปที่จิตอย่างเงี้ยหรือว่าแอบไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยคอยรู้เท่าทันจิตวิ่งไปจิตไปเกิดที่ตาก็รู้จิตไปเกิดที่หูก็รู้ จิตวิ่งไปที่ไหนเคยรู้นี่เรียกว่ารู้พฤติกรรมของมันมันกะทำกรรมมันทำด้วยตัณหาเป็นผู้สั่งก็เกิดอยากขึ้นมานะอยากอย่างโนดอยากอย่างนี้มีเจตนาเข้าไปดูเข้าไปฟังเข้าไปดมกลิ่นเข้าไปดิ้มรสเข้าไปรู้สัมผัสทางกายเข้าไปรู้อารมณ์ทางใจนี่ธรมมารมรู้ทันมัน มันหลงไปดูก็รู้มันหลงไปฟังก็รู้มันหลงไปคิดก็รู้รู้บ่อยๆเนี่ยเราดูจิตแล้วเวลาส่อไปปัญญาี่เกิด่ยเห็นว่าจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตที่หลงไปดูก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตที่หลงไปฟังก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตที่หลงไปคิดก็ไม่เที่ยงนี่จะเห็นไม่เที่ยงเห็นการบังคับไม่ได้เดินตัญญาหรือจิตสุขก็ไม่เที่ยง จิตทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตดีก็ไม่เที่ยงจิตโลภก็ไม่เที่ยงจิตกโกรธจิตหลงก็ไม่เที่ยงอันนี้ดูหมวดของความรู้สึกถ้าดูพฤติกรรมเนี่ยเห็นจิตที่เกิดที่ตาไม่เที่ยงจิตที่รู้สึกตัวไม่เที่ยงสลับกันสลับเกันไปเป็นจิตรู้กับจิตหลงสลับกันอันนี้ดูที่พฤติกรรมดูไหนก็ได้ ดูเท่าที่ดูได้ไม่ต้องดิ้นรนที่จะดูทุกสิ่งทุกอย่างหรอกดูเท่าที่ดูได้ต่อไปไปทำภารกิจคือกินข้าวกินข้าวเป็นทุกข์นะไม่ใช่กินข้าวเป็นสุขเราไปดูให้ดีเรามีความทุกข์เราหิวเราก็พยายามกินบำบัดทุกข์แต่กิเลสมันจะไม่ใช่กินอาหารกิเลสมันจะกินสิ่งนั้นสิ่งนี้ ถ้าร่างกายเนี่ยต้องการอาหารต้องการสารอาหารแต่กิเลสเนี่ยต้องการอาหารอย่างนั้นอย่างนี้นะประดิษฐ์ประดอยนั่นกิเลสกินยิ่งสนองก็ยิ่งเป็นาธาตุมากขึ้นมากขึ้นนั่นคอยดูของเราไปเรื่อยๆอยากกินของอร่อยได้ไหมอยากกินของอร่อยก็ได้ก็ใจมันอยากห้ามมันไม่ได้มีมีโอกาสกินได้ไหม มีโอกาสก็กินได้ถ้าคนอื่นก็ตักไปแล้วโทรสาขึ้นก็ดูเอาแล้วกันนะดูอย่างนี้หรือจิตของเราวิ่งไปอยู่ที่ถาดเวลาตักข้าวอะ่ะตัวอยู่นี่จิตไปอยู่โน่นแนะล้วเลงนะอันนี้ยคอยืดกว่าความเป็นจริงนี่คือภูมิของเปลนะิะภูมิของเปลิดเดี๋ยวไปดูนะเราจะเห็นเปลิดอย่ไปดูคนอื่นนะดูตัวเองนะ นิมนตะเลครับเชิญ